วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2563เป็นนอนที่พวกเราจะมาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตคือสร้างความสุข สร้างความเจริญให้แก่จิตใจของพวกเราที่ตอนนี้อยู่ในระดับของมนุษย์เป้าหมายของชีวิตของพวกเราคือต้องยกระดับจิตใจของพวกเราให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยะบุคคลให้ได้เพราะนานๆจะมีโอกาสที่จะได้ เรียนรู้วิธีพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ขึ้นเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้มาคอยสั่งคอยสอนวิธีพัฒนาจิตใจของพวกเรานั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่สามารถที่จะ ยกระดับจิตใจของพวกเราให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลได้ต้องมีพระพุทธศาสนาต้องมีพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้มาสั่งมาสอนมาบอกวิธีพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิต ต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้มาสอนเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้ยกระดับจิตใจของท่านจากระดับมนุษย์จากระดับปุถุชนขึ้นไปสู่ระดับพระอริยบุคคลแล้วได้ไปถึงขั้นพระพุทธเจ้าถึงขั้นพระอหรหันตสาวุกแล้ว นั่นจึงมีความรู้ความสามารถที่จะสอนผู้อื่นได้ผู้ที่ได้เข้ามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีโอกาสที่จะยกระดับจิตใจของตนให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้ด้วยการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การบูชา พระพุทธพระธรมพระสงค์นี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าบูชาด้วยอมิสหรืออมิสบูชา<ม>คือบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น<ม>และระดับที่สองของการบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูบชาคือ ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลนั่นเองน้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาแต่ในเบื้องต้นเวลาที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องบูชาด้วยอมิัยสบูชาคือด้วยการกราบไหว้ และถวายเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือในฐานะที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเรานั่นเองเราต้องเคารพครูบาอาจารย์เราต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์นี่คือที่มาของการบูชาในพระพุทธศาสนา เราบูชาผู้ที่มีพระคุณแก่พวกเรามีความรู้สูงกว่าพวกเราเพื่อที่เราจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ของท่านมาสู่ตัวพวกเราเองดังั้นเราจึงเคารพนับถือกราบว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันทุกครั้งที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจึงมีการอามิสบูชามีการกราบไหว้กันมีการน้อมนำเอาเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูพเทียนรวมไปถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่พระจำเป็นที่จะต้องใช้คือบรรดาทายทานต่างๆที่ท่านนำมาถวายแก่พระสงฆ์องค์เจ้า ก็ถือว ah ่าเป็นเครื่องสักการะบูชาถวายสังฆทานถวายอาหารบิณฑบาตถวายผ้าป่าถวายผ้ากรถินเหล่านี้ถือว่าอยู่ในการอมิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือและเป็นการแสดงความกตัตำยูกะตะเวที ต่อผู้มีพระคุณคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีพระคุณกับพวกเราอย่างมหาศาลถ้าจะเบถ้าจะเปรียบเทียบพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นี้มีพระคุณยิ่งกว่าพระคุณของบิดามารดาเสียอีทำไมถึงถือถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีพระคุณยิ่งกว่าพระคุณของบิดามารดา เพราะว่าสิ่งที่บิดามารดาให้กับพวกเรานี้มีคุณประโยชน์น้อยกว่าสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับเรานั่นเองสิ่งที่บิดามารดาจะมอบให้กับเราได้ก็คือร่างกายของเรานี่เองเราได้ร่างกายนี้จากบิดามารดา <c oughs> ท่านก็เลยเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถ ทำอะไรต่างๆอย่างที่เราทำกันได้อยู่ในขณะนี้เราจะไม่สามารถมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้เราจะไม่สามารถยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลได้ถ้าเราไม่มีร่างกายที่จะพาเรามาวัดกันเราอาศัยร่างกายเหมือน ร่างกายอาสายรถยนต์เราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณเป็นจิตใจเป็นจิตวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรในตายภพในกามพภพในรูปภพและอรูปภพเรามีร่างกายหรือเรามาเกาะติดกับร่างกาย เพราะเรามีความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายกันเราอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเราก็จึงต้องมีร่างกายกันเราได้ร่างกายนี้จากพ่อแม่ของเรานอกจากมีความอยากได้ราบยศสรรเสริญ อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ยังมีความอยากอีกอย่างหนึ่งคือเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำให้ร่างกายพาให้พวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระคุณของบิดามารดาจึงเป็นพระคุณที่สูงสุดในบรรดาสิ่งของต่า ง, างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ยกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่สูงกว่าเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับจิตใจของพวกเรานี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่บิดามารดามอบให้กับพวกเราบิดามารดามอบร่างกายให้กับพวกเรา เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่จะมาให้ความสุขกับเราส่วนใหญ่เราก็จะใช้ร่างกายไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของการใช้ร่างกายเพื่อไปยกระดับจิตใจของพวกเรา ให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลกันเพราะคนที่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีน้อยมากต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาต้องเป็นคนฉลาดที่ต้องเห็นว่าการมีร่างกายนี้มีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าใช้ร่างกายไปตามความอยาก ก็จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะผูกจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดจะผูกจิตใจให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะจะบังคับให้ <c oughs> จิตใจต้องไปมีร่างกายต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ แล้วพอได้ร่างกายมาก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายกันร่างกายนี้เป็นกองทุกกองหนึ่งเหมือนกองไฟที่จะให้ความทุกข์แก่จิตใจเวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายหรือเวลาร่างกายอดอยาขาดแคลนเป็นต้นน้อยคนที่จะเห็น โทษของการงามีร่างกายกันน้อยคนจึงคิดที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายกันต้องเป็นคนที่ฉลาดที่เห็นความทุกข์ในร่างกายเห็นความทุกข์ในความแก่ในความเจ็บในความตาย เท่า น, นั้นที่จะทำให้มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากความทุกข์ของการมีร่างกายได้ mm hmm. พอรู้ว่าร่างกายนี้เป็นปัญหาที่จะต้องตัดมันให้ได้ mm hmm. และการจะตัดมันให้ได้ก็ต้องตัดความอยากที่มีในใจให้ได้ mm hmm. และผู้ที่จะรู้วิธีตัดความอยาก ที่จะทําให้จิตใจไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบวิธีที่จะกําจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจนทําให้พระองค์นี้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายต่อไปไม่ต้องกลับมา แกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพระ อ, องค์เองด้วยความสามารถของพระ อ, องค์เองด้วยการค้นพบวิธีที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้อย่างพวกเรา พวกเราถ้าเห็นว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันจะต้องทุกข์กันและไม่ใช่เพียงแต่เกิดแก่เจ็บตายเพียงชาตินี้ชาติเดียวจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติด้วยกันถ้าพวกเราไม่กำจัดความอยากที่พาให้เรามาเกิดกันพอเรา ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้แหละพระคุณอันนี้ถือว่าเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของบิดามารดามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีพระคุณมากกว่าบิดามารดาของพวกเรา นอกนั้นไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีพระคุณเท่ากับบิดามารดาของพวกเราเพราะไม่มีใครสามารถให้ร่างกายนี้กับพวกเราได้นอกจากบิดามารดาของพวกเราเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของ <c oughs> การบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เหมือนกับเราบูชาบิดามารดาของพวกเราแต่เราก็รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าบิดามารดาของพวกเราบิดามารดาของพวกเราให้ร่างกายเราได้ให้เรามีร่างกายไปหาลากยศสรน์เสริญสุขได้แต่บิดามารดาไม่สามารถสอนให้เรา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยกเว้นว่าถ้าบิดามารดาของเราเป็นพระอริยาบุคคลแล้วเป็นเป็นพระอหรหันต์แล้วเท่านั้นถึงจะสามารถสอนเราได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระราโจรถของพระองค์คือพระราหุล ใ, ให้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ได้จับบวชเนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ พพระราชาเอารถมาขอมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมรดกของเราก็คือพระนิพพานแล้วการจะได้พระนิพพานการที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องปฏิบัติบูชาต้องบวชต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพ ร, พ, พระพุทธเจ้าได้ออกบวชและได้ปฏิบัติธรรม จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาโดจากการปฏิบัติธรรมนะดังนั้นขั้นที่สองของการบูชาของพวกเราก็คือการปฏิบัติบูชาขั้นที่หนึ่งเราบูชาด้วยอ ม, มิสบูชาเพื่อแสดงความเคารพนับถือความกตัญญูกะตะเวทีตอบแทนบุญคุณ ให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามกําลังความสามารถของเราตามความต้องการของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกนี้มีร่างกายเหมือนพวกเราจึงต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเราถึงถวายปัจจัยสี่ให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเราใส่บาตร เราถวายผ้าผ้าป่าผ้ากถินผ้าไตาจีวรเป็นต้นแล้วก็ถวายเพสัทยารักษาโรคถวายที่อยู่อาศัยคือกุฏิวิหารต่างๆไว้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวโกทั้งหลายอันนี้เป็นการอมุสบูชาซึ่ง ถ้าจะทําเพียงแต่อามิสบูชาอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะยกระดับจิตใจของพวกเรานี้ให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้การที่จะยกระดับจิตใจของพวกเราซึ่งตอนนี้เป็นระดับของมนุษย์ให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้จะต้องเกิดจากการปฏิบัติบูชาน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตเนี่ยถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าอยากจะบูชาพระอริยสงสาวกขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการบูชาที่สมบูรณ์บูชาด้วยอมิตสบูชานี้ เป็นการบูชาเพียงบางส่วนยังไม่ครบร้อยนอกจากอาบิสบูชาแล้วเราต้องปฏิบัติบูชากันหรือเราต้องปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้เราปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้ก็มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสอง ให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาที่เรียกว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาทั้งสามนี้ถ้าอามิสบูชาเราก็เพียงแต่ทาเพียงหนึ่งส่วนคือทาบุญททา ยังไม่ได้ละบาปยังไม่ได้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องปฏบิบัติบูชาด้วยการละบาปและด้วยการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถึงจะได้ครบเป็นการบูชาได้ครบร้อยปอร์เซ็นตพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นเป็นผู้บูชาเราตถาคต เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติรำสมควรแต่ธรรมนี้จะเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นแหละพอเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็จะได้ยกระดับจิตใจของพวกเราจากบุตุชนให้ขึ้นไปเป็นระดับของพระอริยบุคคลได้เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปขั้นพระโสดาบันแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นพระสกิดาคามีขั้นอนาคามีแล้วขั้นพระอรหันต์ตามลําดับต่อไปนี่คือที่มาของ การปฏบิบัติบูชาและการอามิสบูชาในศาสนาพุทธนี้มีการบูชาอยู่สองระดับระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาระดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชากันส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็จะเริ่มที่อาบิสบูชากันเราก็เวลาไปวัด เราก็กลับไปกราบพระกราบพระพุทธรูปหรือกราบพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนนำเครื่องใช้ไม้สอยนำปัจจัยสีท่ทายทานไปถวายพระกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอามิสบูชาพอเราเข้าหาพระแล้วพระท่านก็จะสอนธรรมะให้กับพวกเราสอนว่าเราต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสอน ถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของพวกเราจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลพระท่านก็จะสอนเราให้ละบาป ก, กันให้มาถือศีลกันให้มาละอบายามุขกันแล้วก็ให้เรามาปฏิบัติธรรมคือมาเจริญจิตตภาวนากันให้เรามาทำใจให้สงบแล้วทำใจให้ฉลาด แล้วเราก็จะได้ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับต่อไป mm hmm. การปฏิบัตินี้จะยกระดับจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่เทวดาสู่พรหมและสู่พระอริยบุคคลตามลำดับและก่อนที่เราจะขึ้นจากความเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลได้ เราต้องป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ำก่อน <Yeah. S 1> เพราะว่าจิตใจที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน <Yeah. S 1> ที่เรียกว่าอบายสี่คือเดรัจฉาน <Yeah. S 1> เปรตอสุรกายและนรก <Yeah. S 1> วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เราดอกลงไปในอบาย <Yeah. S 1> เราก็ต้องละการกระทาบาป <Yeah. S 1> ทั้งปวงนั่นเอง yeah. บาปนี้ก็มีอยู่สองชนิดคือตัวบาปตัวบาปเองแล่ตัวที่สนับสนุนให้มีการกระทำบาปเรียกว่าอบายามุกเราต้องละทั้งบาปและทั้งอบายามุกบาปก็มีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณี สีการพูดปดแล้วก็ต่อด้วยอบายามุข ค, คือการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการเกียดติค้านและการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อย่า ก, กระทำ ถ้าเราอยากจะป้องกันจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ไม่ให้ตกลงไปสู่ระดับของเดรัจฉานของเปรตของวิสุลกายของนรกเราต้องละอาบายามุขและละการกระทาบาปทำไมเราต้องละอาบายามุขเพราะว่าอาบายามุขนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราไปทำบาป ก, กันนั่นเองเพราะาอาบายามุขนี้จะทาให้เรา สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและสูญเสียสติถ้าดื่มสุราย า, มาเมาดื่มสุรานี่เสียทั้งทรัพย์และเสียทั้งสติเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาพอมีอาการมึนเมาแล้วเวลาจิตใจจะคิดไปทำอะไรไม่ดีก็ไม่มีสติยับยัง้งจากพูดจาหยาบคายก็ไม่มีสติยับยัง้ง จะพูดปลดก็ไม่มีสติยับยัง้งจะทำลายผู้อื่นจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะไม่มีสติยับยั้งไวท่านถึงรวมสุราไว้ในศีลห้าคืออ ย, อย่าดื่มของบุญเมาเพราะดื่มของบุญเมาแล้วจะห้ามจิตใจไม่ได้เวลาจิตใจคิดไปในทางทางบาปส่วนการเล่นการพ น, นันการเที่ยวเตะ ควาเกียรติค้านี้เป็นการกระทําที่ไม่ได้ทําให้เกิดรายได้มีแต่การสูญเสียทรัพย์ของเราไปไปเที่ยวก็เสียเงินเสียทองไปเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวเกียรติค้านก็ไม่มีรายได้ถ้าเรามีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ต่อไปเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่พอใช้ พอไม่พอใช้เมื่อเราไม่ได้ไปทำมาหากินเราก็จะไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตไปลักทรัพย์ไปช่อโกงอันนี้ทำไมเราจึงไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกอบายามุกจะเป็นผู้ที่จะผลักให้เราเข้าสู่อบายนั่นเองอบายามุกแปลว่าทวารทางเข้าอบายนั่นเองมุกแปลว่าทวารทางเข้า บายก็คือระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์สี่ระดับด้วยกันคือพาให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานนถ้าเราทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการทำบาปเนี่ยาสัตว์ตัดชีวิตชอบโกองรักทรัพย์เป็นต้นตายไปเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานกันถ้าเราทำบาปด้วยความโลภ ตายไปเราก็จะเป็นดงวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยเรียกว่าเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสุรกาย <c oughs> ถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้น <c oughs> มีแต่ความโกรธเกลียด มีแต่ความร้อนรนอยู่ภายในใจเรียกว่านารกนี่นี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปสี่ชนิดด้วยกันสี่แบบด้วยกันทำบาปด้วยความหลงไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวไปเป็นนสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทไปเป็นนรกกัน ดัน้เรื่องตอนนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราปิดประตูอาบายกันด้วยการไม่กระทําบาปกันด้วยการไม่เสพอาบา ย, ยมุกกันถ้าเราสามารถละเว้นการกระทําบาปได้ไม่เสพอาบา ย, ยมุกกันอาบายก็จะไม่สามารถดึงเราเข้าไปได้เพราะสิ่งที่จะดึงเราเข้าไปในอาบายก็คือการกระทําบาปนี่เองเมื่อเราไม่กระทําบาป เราก็ไม่ต้องเข้าไปในอบายกันเวลาร่างกายตายไปเราก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ของมนุษย์ต่อเพราะเรายังรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้นั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องรักษาระดับจิตใจของเราอย่าให้ต่ำกว่ามนุษย์คือรักษาสีลห้าแล้วก็อย่าไปเสพอบายามุกกัน พอเราทําได้แล้วเราก็มาทําข้อที่สองคือมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเช่นทําบุญทาทานทําอมิสสบูชาอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลจะสร้างบุญสร้างกุศลกับพระศาสนาก็ได้สร้างกับบิดามารดาก็ได้สร้างกับผู้มีพระคุณก็ได้สร้างกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน อันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะยกยกระดับจิตใจของเราให้สูงจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาเป็นเทพ<ม>การทำบุญทำทานการไม่ทำบาปนี้จะทำให้จิตใจเราขึ้นจากมนุษย์ไปสู่การเป็นเทพ<ม>และเทพก็มีอยู่ถึงหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำว่ามากหรือน้อยเท่านั้น ถ้าทำมากก็จะขึ้นสู่ชั้นสูงทำน้อยก็จะอยู่ชั้นต่าหลังจากที่เราสามารถรักษาศีนหน้าได้ละเว้นอบายามุขได้ทำบุญทำทานได้คือเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเช่นการไปเที่ยวการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราสวยๆงามๆา ม, มา เสพมาให้ความสุขกับเราพ mm hmm. ระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นการเอาเงินทองไปทำบุญทำทานจะได้คุณประโยชน์กว่าเพราะจะยกระดับให้ขึ้นสู่การเป็นเทวดาได้ mm hmm. ถ้าเอาเงินไปเที่ยวออกไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุง่มเฟือ hmm. ยก็ยังจะอยู่ในระดับของมนุษย์ต่อไป mm hmm. จะขึ้นสูงไปกว่ามนุษย์ไม่ได้ ดังนั้นถ้าอยากจะไปสวรรค์หลังจากที่ตายแล้ว mm hmm. ก็ให้ทำบุญทำทานร่วมกับการรักษาศีลและละเว้นอบายมุก mm hmm. แล้วเราก็จะสามารถยกระดับจิตใจของพวกเรานี้ให้ขึ้นไปเป็นเทพได้ mm hmm. เวลาตายไปจิตของพวกเราก็จะไปท่องอยู่ในสวรรค์ก่อน mm hmm. ก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ บุญที่เราทำไว้นี้จะดึงจิตใจของเราให้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ให้เราได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ซึ่งก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพียงแต่ว่าเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าที่ดีกว่า<ๆ>เพราะเป็นโลกทิพย์เป็นเสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รูปทิพย์ต่างๆที่เราได้เสพสัมผัสกัน<ๆ>จนกว่าบุญที่ส่งเราไป อยู่ในสวรรค์หมดนองเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้กําจัดเหตุที่ดึงให้เรากลับมาเกิดกันก็คือความอยากต่างๆเรายังอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่พอบุญที่ให้เราได้เสบรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพหมดนองเราก็เลยต้องมารับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรดเสพราบยศสรรเสริญกันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกันใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระดับของเทพและมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะทำบุญทำทานรักษาสีห้ากันไม่เจ็บอบายามุกกันตายไปเราก็ไปเป็นเทพกันพอพน้น จากเทพเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้อย่างน้อยก็ดีกว่าการไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายกันเพราะอบายนี้มีแต่ความทุกข์แต่เวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือในสวรรค์นี้มีแต่ความสุขจะมาทุกข์ก็ในช่วงที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นเองนั้นเราต้องไปสูงกว่านี้เพื่อให้เราไปสู่ ขั้นที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดกันมาอีกอีกเรื่อยๆเพราะนั้นพอเราหยุดแล้วปฏิบัติทำระดับเทพได้แล้วเราก็ต้องยกระดับจากเทพให้ขึ้นสู่ระดับพรหมให้ได้การที่จะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับพรหมได้เราต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีล8ปดแล้วเราต้องปฏิบัติธรรมเพิ่มอีกหนึ่งข้อ คือการทำสมาธิการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเช่นคำบาลีคำพุทโธพุทโธอันนี้จะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับของพรหมได้เพราะก่อนที่เราจะไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้เราต้องผ่านระดับของพรหมไปก่อนต้องผ่านระดับของเทพไปก่อนจากมนุษย์ต้องขึ้นไปเป็นเทพ จากเทพต้องขึ้นไปเป็นพรหมแล้วพอเราได้พรหมแล้วเราถึงจะสามารถขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้คือขั้นพระโสดาบันไปถึงขั้นพระอรหันต์ได้โดยการปฏิบัติธรรมชนิดต่างๆตามลําดับจากเทพเรารักษาศีลห้าได้ทําบุญทำทานได้ไม่ไปเที่ยวเต๋ไม่ไปหาความสุขจากของ ฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆใจของเราก็พร้อมที่จะไปเข้าวัดกันไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันได้เพราะเราไม่ติดการเที่ยวเราไม่ติดกับการช้อปปิง้งไม่ติดกับการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆพราะเราเห็นว่ามันเป็นความสุขแบบควันไฟสุขเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเป็นเหมือนยาเสพติด สู้หยุดมันดีกว่าเอาเงินมาทําบุญทําทานมายกระดับจากมนุษย์ให้เป็นเทพนพอเป็นเทพได้แล้วทีนี้เราก็จะพร้อมที่จะไปเป็นพรหมต่อไปได้เพราะเมื่อเรารักษาศีลห้าได้ไม่ไปเที่ยวไปเตะได้เราก็พร้อมที่จะไปอยู่วัดกันได้เราก็จะไปหาที่สงบที่สงบส่วนใหญ่ก็คือตามวัดวาาราม โดยจะพาะวัดป่าวัดเขาวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมนั่นเองวัดที่มีการปฏิบัติสมาธิมีการเจริญสติเราก็จะไปอยู่ตามวัดเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้ยกระดับจิตใจจากการเป็นเทพให้ขึ้นไปสู่การเป็นพรหมต่อไปจิตใจของเราจะเป็นพรหมก็ต้องทาให้จิตใจของเราสงบ ใหอยู่ในระดับฌานในรูปฌปานและอรูปฌปานถ้าจิตใจเราสงบในระดับรูปฌปานหรืออรูปฌานจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนจากการเป็นเทพขึ้นไปสู่การเป็นพรหมเ พ, พราะพรหมนี้จะไม่ต้องเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นร้เหมือนกับเทพเทพยังต้องเสพรูปเสียงกลิ่นร้อยู่แต่พอทำจิตใจให้สงบได้ จ, จิตใจก็จะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทําให้ไม่จําเป็นที่จะต้องหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอีกต่อไปผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้ก็จะไม่สนใจกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสนี้ สู้ความสุขของความสงบไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบของใจนี่เองเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมากยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆท่านตรัสว่านัตติสันติบะลังสุขขงังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทุกชนิดเพียงแต่ว่าความสุขของระดับผมหรือความสงบของสมาธินี้ยังเป็นความสงบที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสงบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแต่จิตนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ในฌานได้ตลอดเวลาเพราะ มีภาระต้องเข้า ม, มาเกี่ยวข้องกับร่างกายต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายมาชำระร่างกายมาทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นดูแลสถานที่ที่อยู่ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นต้นก็ต้องมีการออกจากสมาธิมาพ อ, ออกจากสมาธิมากลับมาสู่ร่างกายใจก็เหมือนกับกลับลงมาสู่ชั้นเทพ ชั่วคราวอันนี้เป็นเป็นขั้นระดับพรหมระดับพรหมนี้ยังถือว่าเป็นระดับชั่วคราวอยู่เพราะว่ากำลังที่ส่งให้ไปเป็นพรหมนี้เสื่อมได้หมดได้ก็คือสติพอสติที่ส่งให้ใจไปเป็นพรหมหมดลงก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพแล้วจากเทพก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นี่ก็ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมามีร่างกายมาเกี่ยวข้องกับร่างกายแต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะปฏิบัติไม่เหมือนผู้อื่นพวกนี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะมาเป็นนักบวชกันมาเป็นแม่ชีกันหรือเป็นมาเป็นอุบาสุกอุบาสิกากันเพราะพวกนี้เขาไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย เขาไม่สนใจกับของหรูหราของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆเขายินดีกับความนักน้อยสันโดษในเรื่องวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆเขาสนใจในการทำใจให้สงบมากกว่าเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่านั่นเองพวกนี้ถ้าเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นพวกนักบวชเนี่ยเป็นพระเป็นสามเณร เป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกอุบาสิกากันจะไม่ชอบไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไปซื้อของสวยๆงามๆซื้อเครื่องสำอางคือไปทำร้านทำผมทำผ้าอะไรต่างๆเห่า น, นั้นเพราะความสุขจากสิ่งเหล่านี้สู้ความสุขจากการทำใจให้สงบไม่ได้เรายังจึงอยากจะไปอยู่วัดกันไปอยู่ที่สงบกัน เพื่อที่เขาจะได้ทําจิตใจของเขาให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิกันแต่เขาก็ยังติดอยู่ในตายพบอยู่เพราะเขายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ระหว่างภพของมนุษย์กับภพบของพรหมพอตายไปจากการเป็นมนุษย์ก็กลับไปเป็นพรหมพอเสื่อมจากพรหมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยเพราะว่าสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะ ส่งจิตให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลได้นั่นเองถ้าอยากจะขึ้นจากระดับสมาธิระดับพรหมให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมขั้นอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาต้องศึกษาให้เห็นตายรักให้ได้ให้เห็นอริยสัจสีให้ได้ พรอผู้ใดที่เห็นใจรักผู้ที่เห็นอริย ส, สัจสี่นี้จะสามารถยกระดับจิตใจของตนให้ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลได้ผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนเตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนครั้งแรกทรงสแสดงอริยสัจสีและใจรักพอผู้ฟังนี้ฟังแล้วเข้าใจ หท่านคือพระอัญญาณกนทัญญาก็ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันทันทีตอนนั้นผู้ฟังเขาอยู่ในระดับพรหมแล้วพระปัญจวคีนี้มีศีลที่สมบูรณ์ได้ทําทานหมดแล้วมีข้าวของเงินทองเท่าไหรได้สละไปหมดแล้วแล้วก็ได้ฌานขั้นต่างๆแล้วได้สมาธิแล้วเป็นพรหมแล้วพร้อมที่จะขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้ แต่ต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นอริยสัจสีพอพระพุทธเจ้าแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงอริยสัจสี่ท่านั้นหนึ่งในพระบัญจาวาคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นม า, ท, าทันทีเห็นอนิจจังคือ ส, สิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา เช่นร่างกายของพวกเราเมื่อมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดานั่นเองเมื่อเห็นแล้วว่ามันจะต้องตายท่านก็ปล่อยวางไม่ไปฝืนไม่ไปอยากให้มันไม่ตายเพราะการไปอยากให้มันไม่ตายนี้จะเป็นทำให้ใจทุกข์จะทำให้ใจยังยึดติดอยู่กับร่างกายถ้าสูญเสียร่างกายอันนี้ไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าสามารถปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้มันตายไปไม่ไปยุ่งกับมันไม่ต้องการใช้มันอีกต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนี่คือขั้นที่ต่อจากขั้นชั้นพรหมชั้นพรหมนี้ต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปศีลสิศีล2องแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิ ด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆต้องคอยหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ฝางสมาธิถ้าคิดใจก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าต้องการจะเข้าสมาธิต้องหยุดความคิดให้ได้การจะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติใช้กรรมฐานคืออารมที่จะหยุดความคิดกรรมฐานที่เราใช้กันส่วนใหญ่เรียกว่าพุทธานุสติ คือเราใช้เราลึกถึงพระพุทธเจ้ากันเราลึกชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธถ้าเราคอยเทบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ไม่สามารถไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญได้พอเราไม่คิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสความอยากก็ไม่เกิดขึ้นมา ความอยากได้รูปเสียงกลิแลรวก็จะหยุดไว้ชั่วคราวนะพอความอยากหยุดความคิดหยุดใจก็เข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิใจก็นิ่งใจก็จะสงบเหลือแส่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ตัวรู้อยู่ตามลำพังแล้วก็อยู่กับอุเบกขาแลวอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละคือ คือขั้นของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่ก็อยู่ได้ไม่ไม่นานต้องออกจากสมาธิมาเพราะยังมีภารกิจที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับร่างกายอยู่พอออกมาก็จะมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าต้องการที่จะกำจัดความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสในราบยศสารเสญให้หมดไปก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่มีการเกิดจะต้องมีการดับเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าหรือราบยศสารเสรญนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับ <Yeah. S 1> เวลาดับมันก็จะทำให้เราทุกข์กันเ <Yeah. S 1> พราะเราไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่เราได้มา ก, กัน เวลาเราได้ราบยศเสรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆ อ, อยู่กับเราเป็นนานๆนแต่พอมันดับพอมันหมดมันก็ทําให้เราทุกข์กันพอเงินทองหมดก็ทุกข์กันพอตําแหน่งหมดก็ทุกข์กันเคยเป็นนายกพอไม่ได้เป็นนายกมีใครดีใจบ้างไหมพอพ้นจากตําแหน่งแล้วมีการเลี้ยงฉลองไม่มีมีแต่เลี้ยงฉลองตอนที่ได้เป็นกัน พเพราะเวลาไม่ได้เป็นนี้หน้าตาซึมเศร้ากันทุ ก, กันนี่เพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงผู้ที่จ ะ, ะดูด จ, จากการไปยึดไปดติดอยู่กับราบยศสารเสญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามันไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงนี่แหละที่จะทำให้เราทุกข์กัน แล้วก็มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปสั่งมันได้สั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้มันดีขึ้นดีมันนึกอยากจะจากเราไปมันก็ไปอย่างนั้นแหละไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนก็มีเช่นตายจากกันสามีภรรยาตายจากกันแฟนตายจากกัน พอเกิดเหตุการอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความเศราศ้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์กันก็ต้องตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้ออกไปได้วยปัญญาตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ก็จะตัดความอยากไม่แก่ได้ตัดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ตัดความ ไม่อยากตายได้เพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเกิดจากความอยากที่เราอยากจะมีร่างกายไว้ใช้เป็นนานๆนั่นเองแต่พอเราเลิกใช้ร่างกายได้เราก็จะตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราจะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปเราจะทำใจเฉยๆใช้อุเบกขายอมรับความจริงของสัจธรรมของโลกของของชีวิตว่าเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้เรานี้จะไม่อยากจะกลับมามีร่างกายต่อไป แต่เรายังต้องตัดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทา ง, างผ่านทางร่างกายให้หมดความความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสมีหลายรูปแบบความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มก็แบบหนึ่งความความสุขที่ได้จากการได้จากแฟนได้จากสามีภรรยาก็เป็นอีกแบบหนึ่งการจะตัดความสุขจากสามีภรรยาหรือจากแฟนได้ ก็ต้องพิจารณาอสุภะของแฟนต้องดูร่างกายของแฟนว่าถ้าไม่หายใจก็เป็นศพทันทีเป็นซากศพทันทีพ <Yeah. S 1> อแฟนไม่หายใจปุ๊บนี่ไม่หวงไม่รักแล้วนะถ้ายกให้สับปเปล่าได้ทันทีเลยไม่ขอเก็บเอาไว้ในบ้านอีกต่อไป <Yeah. S 1> นี่คือวิธีตัดความนักในตัวแฟนของเรา ไอ้นึกถึงถ้าเกิดเขาไม่หายใจขึ้นมาแล้วเรายังจะไปรักเขาอยู่หรือเปล่าเพราะเขเป็นซากศพขึ้นมาแล้วเรายังจะไปรักเขาหรือเปล่าหรือว่าให้มองอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะมีผิวหนังมันพุ่มห่ออยู่เราก็ต้องใช้ตาของปัญญาเปิดเข้าไปเปิดดูว่าภายใต้ผิวหนังนี้ในร่างกายมีอะไรบ้าง เราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆของร่างกายเห็นโครงกระดูกเนี่ยพวกเราทุกคนนี่มีโครงกระดูกกันแต่ไม่มีใครเห็นกันเลยหลงคิดว่ารา่างกายเราสวยงามกันเพราะเราเห็นแต่ผิวหนังที่หุ้มห่อโครงกระดูกถ้าเกิดผิวหนังเราใสเหมือนถุงพลาสติกนี่คงจะไม่มีการประกวดงาบงามกันๆๆๆๆๆไม่รู้จะประกวดยังไงประกวดแต่เ คนก็มีโครงกระดูกเหมือนกันประกวดโครงกระดูกว่าโครงกระดูกใครจะสวยกว่ากันอันนี้เราต้องใช้ตาปัญญาถึงจะมองเข้าไปข้างในได้ตานอกนี้มองทะลุเข้าไปไม่ได้ต้องใช้ตาปัญญาคือต้องไปศึกษาอาการ3 2มของร่างกายแล้วนึกถึงภาพของมันว่ามันเป็นอย่างไรถ้านึกไม่ออกก็ไปดูภาพที่เขาถ่ายมาหรือเขียนมาก็ได้ หรือถ้าอยากจะดูของจริงก็ไปดูเวลาที่เขาผ่าศพตามโรงพยาบาลนี้เขามักจะมีการผ่าศพเพื่อชันสุตสาเหตุของการตายของร่างกายถ้าอยากจะเห็นอวัยวะภายในของร่างกายว่ามันไม่สวยงามอย่างไรก็ไปดูการชันสุตศพแล้วเอามาจดเอามาจำเอามาคิดอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราเกิดความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีหรือกับภรรยา ไอ้เรานึกถึงอาการที่ไม่สวยงามต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเขามันก็จะทำให้เราหายอยากไม่อยากอยู่ใกล้เขาไม่อยากจะนอนกับเขาเพราะเหมือนกับนอนกับซากศพเหมือนกับนอนกับโครงกระดูกอันนี้ก็จะทำให้เราตัดการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะเราไม่จาเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขติต่อไป เราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นผอมสองชั้นชั้นรูปประรมหรืออรูปประรมเนเพราะเรายัางติดกับการหาความสุขผ่านรูปประชานหรืออรูปประชานอยู่นั่นเองพอเราไปถึงขั้นนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่ารูปประชานกับ อ, อรูปประชานก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนาัตตาเหมือนกันเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงสามารถให้มันอยู่กับเราได้ตลอด เวลาเราออกจากรูปประชานจากอรูปปานเราก็จะรู้สึกสูญเสียความสุขไปเราก็จะรู้สึกมีความเศร้าส้อยห่อยเหง า, หหาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่อยากที่จะติดอยู่กับรูปปัจจานอรูปปัจจานเราก็ต้องอยากเข้านอยากไปหาความสุขจากรูปปัจจานอรูปปัานเพราะพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตายรักเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็เลิกเสบรูปประชาณารูปประชาเมื่อจิตเราไม่ติดกับรูปประชาณรูปรชาญ์ติดจิตก็จะออกจากรูปประพบออกจากอรูปประพบออกจากกามรมาพบได้อย่างสมบูรณ์ออกจากตายพบได้ก็จะอยู่ที่พระนิพพานนั่นเองเพราะข้างนอกของตายพบเราเรียกว่านิพพานคือ ส, สภาพจิตของพระอรหันต์กับของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระ พระ โ, โสดาบรรพระสกิดาคามีพระอนาคามียังไม่หลุดออกจากตายภพอย่างสมบูรณ์ต้องขึ้นสู่ขั้นที่สี่คือขั้นของพระอรหันต์พอถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทีนี้ก็จะไม่มีการกลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นโคมอีกต่อไปเพราะได้ไปถึงพระนิพพานแล้ว ได้ไปสู่พบที่ดีที่สุดที่วิเศษที่สุดที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีการที่จะสูญเสียสิ่งที่เราได้มาคือบรมสุขนิบานังปรมังสุขขังบรมสุขคือพระนิพพานความสุขที่สุดยอดคือพระนิพพานและเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมเหมือนกับความสุขของสมาธิความสุขของเทพของพรหมความสุขของมนุษย์ ที่มีวันเสื่อมกันแต่ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่ถาวรยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขของตายพบอีกต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขของการเป็นมนุษย์ของการเป็นเทพของการเป็นพรมอีกต่อไปก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปเ <c oughs> มื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอีกต่อไป เมื่อไม่มีความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาการที่จะไม่มีความทุกข์จึงมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทาให้ไม่มีความทุกข์ได้ก็คือการไม่เกิดเท่านั้นเองถ้ายังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังจะต้องมีการเสื่อมลงไปมนุษย์ก็ต้องแก่เจ็บตายเทพก็ต้องเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอมันก็ต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm hmm. ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดพบทั้งสามให้ได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญา mm hmm. หลังจากที่ได้เจริญสมาธิได้หลังจากที่ได้รักษาศีลห้าได้หลังจากที่ได้ทาบุญทาทานได้ ถึงจะสามารถที่จะตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้คือไปเป็นพระอริยเจ้าได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไปเป็นพระอาหารหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าได้เกิดจากการปฏบิบัติบูชาของพวกเราคือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อใหญ่ๆคือข้อที่หนึ่งให้ละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงข้อที่สองให้ สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ละการกระทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดทำบุญทำทานเกือสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้มีสิ่ง้าวมีข้าวของเงินทองที่ก็เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปให้คนอื่นไปช่วยคนอื่น อย่ า, อาไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่ า, อาไปเที่ยวเพราะมันจะทําให้ติดเป็นยาเสพติดแล้วจะไม่ได้ทําบุญจะไม่ได้ยกระดับจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเท พ, พอทำบุญทําทานได้แล้วรักษาศีลห้าได้แล้วก็ยกระดับจากเทไปเป็นพรหมด้วยการรักษาศีลแปแล้วก็ฝึกสมาธิจริญสติพุทโธพุทโธ จนเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้พอออกจากสมาธิออกจากฌานมาก็เจริญปัญญามันพิจารณาทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันพิจารณาร่างกายว่าไม่สวยไม่งามมันพิจารณาอาหารที่เรากินว่าไม่น่ากินเวลาที่จะพิจารณาอาหารที่เราอยากกินว่าไม่น่ากินอย่าไปดูมันตอนที่มันอยู่ในจาน ให้ไปดูตอนที่มันอยู่ในปากตอนที่มันอยู่ในท้องหรือตอนที่มันถ่ายออกมาถ้าเห็นอาหารเหล่านั้นแล้วจะทำให้ไม่อยากกินจะกินอาหารแบบกินยากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินก็จะไม่ติดอาหารไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนี่คือปัญญาที่เราจะต้องใช้กันในการที่จะทำให้จิตใจของเรานี้ได้ยกระดับขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลได้ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือวิธีการบูชาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สองระดับคืออาิสบูชาและปฏิบัติบูบชาที่นำม า, มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาวหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปทิตังตุมหังคิ a เเมวะสนิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนหาลาสุญญาธามณ y โชติลาสยญญาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินาศตุ มาเตภวตวันตระยอสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลั ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในตอนนี้เลยก็หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ของดตอบคําถามเพราะไม่สะดวกเวลานี้เป็นเวลาที่สะดวกที่สุดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่กลับนมัสการเจ้าค่ะ วันนี้ Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตมีผู้รับชม404 1 1ท่านค่ะ Facebook พออาจ์สุชาติอภิชาตโต4 1ท่านยอดรวมทาง Facebook 452ท่านเจ้าค่ะ YouTube มี232ท่านวิทยุออนไลน์16ซู8ผู้รับฟังหน้ากูติ138ท่านรวมเป็น846ท่านเจ้าค่ะโอเค เดี๋ยาถามเลยเดี๋ยวมาถามทางนี้เลยเดีวส่งไมโครโฟนไครับถ้าผมขออนุ ญ, ญาตสอบถามครับ <c oughs> สภาวะรมหลังจากที่นั่งไปแล้วครับแล้วนิ่งแล้วดิ่งลงไปในห้องมืดนะครับแล้วผมภาวนาต่อไม่เป็นครับก็ไม่ต้องทําอะไรถ้ามันดิ่งก็สุขการสงบป้ไปมีสติรักษามันวรรไว <c oughs> ้ให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆไปนาน อต้องกำหนดพุดโทโธต่อไหมครับถ้ามันไม่ทําถ้ามันนิ่งก็ไม่ต้องกําหนดพุดโทโธก็ไนดะ้ถ้ามันไม่นิ่งก็ต้องพุโทโธต่อท่านยังมีความคิดอยูอย่ก็พุโทโธพุทโธต่อไปครับผมจะประมาณว่าพอไปอยู่ในห้องนั้นปุ๊บแล้วหาทางไปต่อไม่ไม่เป็นนะครับเราไม่ต้องไปไหนแล้วเราไม่ต้องการจะไปไหนนั่งสมาธิเราต้องการให้มันสง บ, บมันนิ่งให้มันสบายบอ ถ้ามันยังไม่สบายยังไม่นิ่งก็พุทโธต่อไปดูดูแค่ห้องนั้นว่าสภาวะธรรมจะเปลี่ยนเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ให้มันนิ่งถ้ามันไม่นิ่งก็พุโทโธให้มันนิ่งถ้ามันเริ่มคิดเริ่มมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธต่อไปการทาสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งให้สงบให้สบายส่วน เร่องอนนี้ต้องรอให้ผ่านขั้นสมาธิไปก่อนแล้วถึงค่อยไปดูการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเสียงก็เปลี่ยนรูป ก, ก็เปลี่ยนกลิ่นก็เปลี่ยนรสก็เปลี่ยนน้องรู้ทันแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดพอมันเปลี่ยนก็จะทําให้เราทุกข์ได้ราะฉะนั้นขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญา หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ก็ใช้ปัญญาได้ต่อไปนั่งกายเราก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายก็ต้องอย่าไปยึดไปติดอยไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทําให้ทุกข์ถ้าเวลาไปอยากให้มันไม่แก่แล้วมันแก่ขึ้นมาอนั้นขั้นปัญญาแต่เวลาขั้นสมาธินั่งการให้ใจนิ่งใจสงบใจมีความสุขจากความนิ่งไม่ต้องทําอะไร ที่พักผ่อนดับนอนผงใจอโอเคนะ ม, มีคำถามจากเฟ e b o o k นะคะจากคุณเพชรพัดน้อมกราบในมัสการพระอาจารย์ลูกขอความเมตตาเจ้าค่ะลูกเฝ้าสังเกตตัวเองล้วพบว่าในร่างกายจิตใจนี้มีแต่ความโลภโกรธหลงทั้งที่เมื่อก่อน เราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยเมื่อเห็นแบบนี้แล้วลูกรู้สึกเบื่อหน่ายตัวเองบางครั้งรู้สึกกลัวตัวเองเมื่อเป็นแบบนี้แล้วในทางปฏิบตัติลูกควรทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะกราบเมตตาลูกด้วยเจ้าค่ะอ๋อไม่ควรเบื่อหน่ายหรอกควรจะดีใจที่เห็นความลูกความโกรธของเราเพื่อเราจะได้กำจัดมันได้เหมือนกับเห็นขโมยนะเห็นขโมอยอย่าไป เบื่อนายเห็นขโมยจะได้รีบแจ้งตำรวจได้ปัญหาคือไม่เห็นขโมยสิมันมาขโมยของแล้วไม่เห็นมันลําบากเพราะเวลาขโมยขึ้นบ้านไม่เห็นมันมันก็ขโมยของไปหมดเห็นถ้าเราเห็นมันปุ๊บมันก็มันจะขึ้นบ้านแล้วก็จัดการถ้ามีปืนก็ไรยิงมันไปเห็นการเห็นกิเลสนี่ถือว่าเป็นการเห็นธรรมแล้วเห็นเหตุของความทุกข์แล้วนี่ไอตัวนี้แหละที่จะมาทําให้ใจเราทุกข์ เห็นแนละ้วเราก็ต้องกาจัดมันด้วยปัญญา<ม>คืออย่าปล่อยอย่าไปทำตามที่มันบอกให้เราทำอย่างได้แฟนก็บอกอย่าไปแฟนเป็นทุกข์<ม>ได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวทะเลาะ ก, กัน<ม>เดี๋ยวมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูก<ม>จะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีลูกแนละ้วต้องอิต้องหอบลูกจูงหลานไปคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมามันก็จะได้ตัดความโลภความอยากได้ อย่าไปเบื่อนายให้ดีใจว่าเร า, เ, าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นกิเลสของเราแล้วครั้งต่อไปก็ต้องหยุดมันให้ได้หยุดด้วยปัญญาต้องเห็นตายลักต่อไปเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้เสมอไปคำถามจากคุณมีเจีย๊ยบมีป๊อปกราบนวัชการพระอาจารย์ หากถือศีลแปดแล้วดูวิดีโอเรื่องพระพุทธเจ้าเธอว่าผิดศีลข้อเจ็ดหรือเปล่ า, าเจ้าคะถ้าเป็นธรรมะไม่ผิดหรอกถ้าดูธรรมะดูพุทธประวัติดูประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆกลัวว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนช่องแค่นั้นหนึ่งดูไปเดี๋ยวเสรรบบรรืเบื่อไปดูตลกโปกคาขึ้นมางัน้นก็ต้องระวังถ้าถือศีลแปดจริงๆก็อย่าเพิ่งไปดูก็ได้ไว้วันอื่นที่ไม่ถือศีลแปดแล้วค่อยไปดูดีกว่า พอมันใกล้มือ้วก่อนรีโมทมันกดปุ๊บเดียวเปลี่ยนช่องได้เปลี่ยนช่องจากธรรมะกลายเป็นเรื่องละครเรื่องตลกโปกคาได้พ <Yeah. S 1> อบางทีดูแล้วง่วงนอนอ๋อง่วงให้ก่อนธรรมะหาอะไรมาปลุกหน่อยเปลี่ยนช่องไปดู <Yeah. S 1> ดูตลกเข้าเนี่ย <Yeah. S 1> มันก็เลยกลายเป็นกิเลสไป <Yeah. S 1> กลายเป็นผิดศีลไป <Yeah. S 1> ยิ่นถ้าจะถือศีลเพื่อไม่ให้ไป รักษาศีลเพื่อให้ไม่ขาดก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าตอนนี้รักษาศีลก็อย่าเพิ่งไปดูอะไรเลยอย่าไปดูโลกเสียงกลิ่นรดไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือไม่นอกจากเป็นหนังสือธรรมะนี่ก็อ่านได้ฟังได้ฟังเทศอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นวิดีโอก็ต้องมต้องดูแต่ธรรมะจริงๆนะครับใค่ะคำถามต่อไปจากคุณมีเจ๊มมีป๊อปการถือศีลแปดในวันพรากับถือศีลแปดในวันหยุด ถือสินแปในวันพระจะได้บุญมากกว่าหรือไม่หรืออยู่ที่บุญที่เราตั้งใจทำและหากถือสินแปดหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นต้องสมาทานสินห้าด้วยหรือไม่ไม่ตั้งหรอกพอเราสมาทานสินเป็นแล้วครั้งเดียวก็พอเช่นวันนี้จะถือสิน8ปก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะรักษาสินแปไปพอไม่รักษาสินแปก็วันนี้จะรักษาศินห้าต่อไปก็เพียงแต่ ทำความเข้าใจในตัวเราเองเท่นั้นเองว่าเรากําลังรักษาศีลระดับไหนไปเท่นั้นเองไม่ต้องมาตั้งมายังพันเตติสอะไรในนอกสหะอะไรทํานองนั้น ใ, ให้เพียงแต่ให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเข้าเกียร์ไหนเข้าเกียร์ห้าแล้เข้าเกียร์ 5, แปดขับ ร, รถเรายังต้องรู้ว่าเราขับอยู่ในเกียร์ไหน ยันในวันนี้นำเนื้อชีวิตของเราจะอยู่ในกรอบของศีลห้าหรือศีลแปดก็ให้ทําความเข้าใจไว้แล้วก็ทาแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราได้ตั้งใจไว้ก็ถือว่าได้สมาทานนวค่ะคำถามต่อไปจากคุณสิริรัตนพลกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าลูกไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ในระหว่างวันเจเริญสติอยู่เนือง และรู้สามารถพิจารณาทางปัญญาเลยคือพยายามพิจารณาไตรลักษ์ลูกทําแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็ได้แต่มันจะไม่มีกำลังที่จะไปหยุดกิเลสได้ท่านั้เองเพราะถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าเป็นไตรลักษ์ก็ยังอดไม่ได้ยังสู้ความอยากไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นไตรลักษ์ก็จะหยุดความอยากได้ค่ะถานต่อไป กราบียนถามพระอาจารย์การนั่งสมาธิแล้วให้จิตนิ่งมีลักษณะอาการเป็นอย่างไรก็เวลาคิดกับไม่คิดเนี่ยมันก็ต่างกันเวลาคิดกับไม่คิดมันก็เป็นสมาธิกับไม่เป็นสมาธิเวลาไม่คิดจิตนิ่งสงบมันก็ไม่คิดมันก็เบามันก็เย็นมันก็สบายเวลามีความคิดมันก็ร้อนมันก็พุ่งสร้างขึ้นมามันก็กวนกวายกระสับกระสาย ค, ควววาาามมแตตตตกก่่งงงงระงเลจจิิสบบสบบบัไคำถามจากคุณสุพัฒน์เป่าทำอย่างไรเพื่อสร้างกำลังใจให้ความเพียรได้ทุกวันครับพระอาจารย์ก็ฟังเทศอยู่เรื่อยฟังเทศนูศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสารต่างๆมันก็จะทําให้เรามีตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เราอยากจะเรียนแบบ เวลาเราดูนักคอมเราก็อยากจะเรียนแบบดาราใช่ไหมดาราเขาทําตัวยังไงเราก็อยากจะทําตามเขางั<ม>้นถ้าเราดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงสาวุโลกเก็อยากจะทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้าทําตัวเหมือนพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าขยันปฏิบัติเราก็จะขยันปฏิบ<ม>ัติยั้นพยายามเข้าหาพระพุทธธรรมพระสองฆ์อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีกําลังใจ<ม>ที่จะปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆ คำถามจากคุณมีเจีย๊ยบมีป๊อปการใส่บาตรพระหน้าบ้านที่ไม่เจอะจงจะได้บุญมากกว่าใส่บาตรพระที่เจอจงใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าพระที่รับบาตรแถวบ้านมีพระองค์เดียวในเวลานั้นถือว่าเป็นการเจอจงหรือไม่เจ้าคะจอจงก็คือต้องเป็นพระรูปนี้รูปเดียวพระรูปอื่นมาไม่ใส่เรียกว่าจาะจงค่ะ แต่ถ้าไม่ได้เจาอะจองคือใครมาก่อนก็ใส่ไปก่อนนี้เรียก่าไม่เจาะจองได้บุญเท่ากันบุญที่เกิดจากการให้เท่ากันไม่ได้อยู่ที่พระที่รับว่าเป็นพระดีหรือพระไม่ดีเป็นพระธรรมดาหรือเป็นพระอริยะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันบุญที่จะได้จากพระอริยนี้เป็นบุญที่เกิดจากการคุยกับท่านสนณาธรรมกับท่าน ถ้าได้ใส่บาตรกับท่านแล้วได้มีคำาสงสัยสามธรรมะกับท่านแล้วท่านตอบธรรมะตอบคำถามเราได้เราก็จะได้บุญอีกอันหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการได้สนทนาธรรมอันนี้ต้องเลือกพระถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องเลือกพระที่มีธรรมะถ้าไปใส่บาตกับพระที่ไม่มีธรรมะท่านก็ไม่สามารถให้ธรรมะกับเราได้คำถามจากคุณวัย ร, รัตน กราบเรียนถามว่ากรถินพระราชทานทอดวันไหนคะขอบคุณค่ะเราก็ไม่ได้ดูนะต้องโทรไปถามที่สํนานักงานอยู่แลเข้าไปในเว็บเพจของวัดยานสังมาลาลังว่าเขาก็จะมีวันที่ประกาศไว้คําถานจากคุณณรงศักดิ์เข็มเพชรกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตตาสาวก เวลาดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วมีความต่างกันไหมครับไม่ต่างหรอกเหมือนกันจิตเข้าถึงพระนิพพานได้พร้อมได้ได้เหมือนกันสิ้นกิเลสเหมือนกันต่างตรงที่เวลาเป็นเป็ น, ปนไม่เหมือนกันเวลาเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี้เป็นโดยไม่มีใครสอนหรือสอนเองค้นหาทางไปสู่พระนิพพานเองแต่ภาษาวกนี้ต้องมีพระพุทธเจ้าสอนถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ แต่พอไปถึงบระนิพพานก็ถือว่าถึงที่เดียวกันเหมือนกันคาถามจากคุณสิริรัตนาพลทำอย่างไรลูกถึงจะผ่านเวทนาทางกายไปได้เจ้าคะเวลาลูกนั่งสมาธิไปได้สามถึงสี่สิบนาทีหลังจากนั้นไปเวทนาความปวดนี้ลูกไม่สามารถทานมันได้เลยต้องออกจากสมาธิทุกครั้งไปพระอาจารย์มีวิธีแนะนำลูกใหม่เจ้าคะต้องขยันพุทธน พอมันเริ่มเจ็บปุ๊บก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือสวดอลาลังสัมมาท่องอะไรก็ได้ที่จังทุกขังอนัตตาสเัเพสตาเวลาหหนตุให้จิตมันมีงานทำอย่าอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บพราะคิดถึงความเจ็บแล้วมันอยากให้หายยิ่งพอเกิดความอยากให้หายมันก็เลยเกิดความทรมานใจขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับการสวดอิติปิโสอยู่กับการท่องอาการสาสิบสองหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆเราก็จะลืมเรื่องอาการเจ็บปวดของร่างกายได้แล้วเราก็จะทนอยู่กับมันได้เหมือนเวลาเรานั่งดูละครบางทีปวดฉี่ยังทนได้เลยเพราะมัวแต่ดูละครเลยลืมเรื่อ ง, งปวดฉี่ไปพอละครเลิกถึงจะรู้ว่าโอ้เราปวดฉี่ขึ้นมาอย่งางนี้ครับได้ อยนขอให้เราไม่มีอะไรดึงใจไว้อย่าให้มัคิดถึงความเจ็บของร่างกายเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองเพราะตอนนั้นไม่มีใครจะสร้างเรื่องที่จะดึงใจเราออกมาได้นอกจากการบริกรรมพุทธโธการสวดมนต์การท่องอาการส2หรือท่องอะไรที่เราท่องไปอย่าให้มันหยุดอย่าให้ไปคิดถึงความเจ็บพุทธังสวรนังกระฉา่งธรรมังสรนังกระฉา่นี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้อยู่กับการท่องสวดไปเรื่อยๆ ถ้เดี๋ยวความเจ็บก็จะไม่มาเข้าบานาใจเพราะไม่เราไม่อยู่กับความเจ็บเราก็ไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บความทรมานทางใจก็ยังไม่เกิดความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดพอไม่ใจไม่ทุกข์ใจก็อยู่กับความเจ็บได้คําถามจากคุณมยุรีทองประสมกราบเยินถามราชาร น, นั่งสมาธิได้มาสักพักแล้วมีสมาธิเงียบสงบจิตนิ่งสงบ อยากทราบว่าขั้นต่อไปจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมที่วัดหรือไม่คะเพื่อมีครูบาอาจารย์ค่ะถ้าเราทาขั้นสมาธิได้อยู่ที่ไหนเราทําได้ก็ทําไปถ้าเราอยากจะไปขั้นวิปัสสนาเราก็ต้องไปเรียนจากอาจารย์ถ้าเราไม่รู้วิปัสสนาว่าทำอย่างไรวิปัสสนาก็คือการศึกษาธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายของเราว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตาย ว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นต้นเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องของร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับมันเพื่อที่เราจะปล่อยวางมันเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราจะได้ไม่ทุกไปกับมันอันนี้วิปัสสนาต้องทำหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วเวลาอยู่ในสมาธิก็ให้จิตนิ่งสงบไปเรื่อย พ อ, อ, อจากสมาธิมาอยากจะไปทางปัญญาก็พิจารณาธรรมชาติของร่างกายพอพิจารณาแล้วรู้สึกฟุ้งซ่านก็หยุดพิจารณาแล้วกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แล้วก็ออกจากสมาธิก็กลับมาพิจารณาใหม่เจ้กว่าเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเจ้ากว่าจะเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลงไปเจ้กว่าจะเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วปล่อยวางมันได้ คำถามจากคุณเพิินพิสุทธิ์ขอเดียนถามใส่บาตรพ่อแม่แทนพระได้ไหมคะไหนถามใหม่เลขอเดียนถามใส่บาตรพ่อแม่แทนพระได้ไหมคะได้ก็ทําบุญกับพ่อแม่ก็ได้บุญเนลีน้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นมงคลอย่างยิง่งมาตาปิดตัอุปทานอย่างมงคลสาวสิบปดพ่อมีหลายมีหลายอย่าง ทำบุญทำทานกับผู้อื่นก็ได้ทำบุญกับบิดามารดาก็ได้เลี้ยงดูลูกหลานก็ได้สงเคราะห์ญาติพี่น้องก็ได้เป็นมงคลเป็นบุญเหมือนกันคําาถมจากคุณทานาคุณสุดใจกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทํากับข้าวทุกวันแต่ไม่ได้ใส่เองแต่โยกใส่หัวแล้วพูดว่าสาธุสาธุจะได้บุญใหม่เจ้าค่ะ เป็นขึ้นอยู่ว่าเป็นของใครถ้าเป็นของเราเราก็ได้พอเราได้เสียสละของไปถ้าเป็นของคนหนึ่งเขาจ้างเรามาเป็นแน่กลัวทําให้เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้เราได้ค่าจ้างแทนเราก็เลยไม่ได้บุญค่ะคําถามสักคุณณัทธาการรักษากราบยินถามพระอาจารย์ทําบุญกระถิน่นและลูกบอกบุญกับเพื่อนที่รู้จักกันลูกทําผิดไหมคะมันเป็นการรบกวนไหมคะ หรือว่าลูกทำถูกแล้วเจ้าคะก็อยู่ที <three> ่เราบอกเขาอย่างไรถ้าบอกว่าไปร่วมกระถิ่นกันไหมอย่างนี้ก็ผิดนะไม่งั้นก็ไปบังคับเขาไปชวนเขาถ้าบอกเขาว่าปีนี้จะไปท่ากระถินที่นั่นไม่ผิดบอกเขาได้ว่าเราจะไปทำอะไรแต่อย่าไปบีบบังคับให้เขาต้องตอบรับกับความต้องการของเราเราบอกเขาเผื่อเขาอยากจะไปแล้วเขาไม่มีรถเขาขอไปกับเราล้วก็จะได้ อนุโมทนาให้เขาร่วมไปกับเราได้ก็ได้แต่อย่าไปยื่นซองให้เขาแล้วบอกปีนี้จะเท่ากระถิ่นที่วันนั้นวันนี้แล้วเอาซองให้เขาอันนี้เท่ากับไปป้นเขาแล้วเอาปืนไปจี้ที่กระเป๋าแล้วเอ้ยร่งกันออกมาใส่ซองซะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าป้นบุญไม่ได้ไม่ได้ขอบบอกบุญนะอยังต้องระมัดระวังเรื่องการบอกบุญ แล้วก็ต้องดูคนที่เขาสนใจไม่สนใจด้วยถ้าคนไม่สนใจอย่าบางทีอย่าไป บ, บอกเขาดีกว่าบอกเขาแ้เขาอาจจะเกลียดเราเบื่อเราก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าบอกคนที่เขาอยากจะทำแล้วบางทีเขาไม่มีโอกาสไปทำเองเขาพอได้รู้ว่าเราทำเ้าอยากได้มีโอกาสได้ร่วมทำกับเราก็ได้อย่างนี้ก็บอกเขาได้คําถามต่อไปวิธีการเข้าอารูปฌานเข้าอย่างไรครับก็าเข้าด้วยสตินี่แหละ จะใช้สติกำหนดอารมณ์อย่างได้อย่างหนึ่งครับว่ารูปฌปานกำหนดความว่างกำหนดวิญญาณที่ว่างเปล่าอะไรกันนองนี้นก็มีอารมณ์ต่างๆที่ให้กำหนดองคพ่อจ้ะคะหนูยังไม่เข้าใจรูปฌานอรูปฌานรูประพบอรูประพบเจ้าคะ่ะคือรูปฌานก็คือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจเรามีสติอยู่กับ ลมหายใจเข้าออกนี่เรากำลังเข้าฌานระดับรูปฌานาะยังมีรูปคือคือลมให้เราดูอยู่สัมผัญนับรู้อยู่ดูลมไปแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ได้เรียกว่ารูปฌปานพอผ่านรูปฌปานแล้วเราไม่ดูลมละีเราดาูสิ่งที่มีอยู่ในจิตเราเช่ น, นดูความว่างก็เป็น เป็นรูปอรูปประชางอย่างนเป็นวิญญาณดูวิญญาณความรู้ที่ไม่มีขอบไม่มีเขตนีต่ยต้องไปดูรายละเอียดเราพูดไปเดียวจะผิดก่อนจะมีอารมณ์ให้เราใช้แทนลมหายใจเข้าออกพอเข้าสู่อรูปประชาง น, นี้จะมีอารมณ์4ระดับด้วยกันให้เราใช้เป็นอารมณ์ผูกใจให้อยู่ในฌานให้อยู่ในรูปอรูปประชาง เวลาตายไปจิตของเราที่อยู่ในรูปฌานก็จะอยู่ในรูปภพจิตของเราก็จะเป็นรูปประพรมเวลาถ้าเราอยู่ในอารูปฌานเวลาตายไปเราก็จะอยู่ในอารูปภพเทั้นเองคือเจ็ดจิตเสบอารูปอารมูปฌานเป็นอารมณ์จิตที่เสบรูปฌานเป็นอารมณ์ก็จะอยู่ในรูปประพร กิจที่เสดกลามเป็นอารมณ์ก็จะอยู่ในการมาพบเช่นมนุษย์เทวดานาี่เสดกลามเวลาตายไปก็จะเสดรูปเสียงกลิ่นรสทิพถ้าเป็นเทวดาก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสทิบที่มีแต่ความสุขถ้าเป็นพวกกระบายก็จะเป็นเสดรูปเสียงกลิ่นรสที่มีแต่ความทุกข์เจ้าค่ะ คำถามต่อไปจากคุณสิริรัตนาพลลูกส่วนมนไหว้พระตอนเช้าแทบทุกวันหลังจากส่วนมนเสร็จแล้วอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางบีดามานดาที่งล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ทำแบบนี้ได้ผลบุญใหม่เจ้าคะแล้วที่ลูกอุทิศกุศลให้บุคคลต่างๆหลังจากส่วนมนเสร็จ บุญส่งถึงพวกเขาใหม่เจ้าค่ะบุญที่เกิดจากการปฏิบัตินในมันเป็นบุญที่ยากที่จะเกิดก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดออกดอกออกผลทันทีปลูกต้นทุเรียนนี้ก็จะได้ลูกทุเรียนนี้ต้องหลายปีด้วยกันยั้นถ้าจะอุทิศบุญให้มันรวดเร็วทันใจและแน่ใจก็อุทิศด้วยการทาทานใส่บาตรถวายสังฆทานทาบุญ พอทำปุ๊บนี่มันได้เห็นผลปับ๊บผลมันเกิดขึ้นทันทีอุทิศได้ทันทีแต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิจากการส่วม น, นนี้มันยังเป็นการปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ออกดอกออกผลมันยังไม่ได้เป็นมันไม่ได้ได้รับระดับผลของมันเป็นเพียงการก่อเป็นการสร้างเป็นการปลูกฝังนั้นมักจะไม่เขาไม่นิยมกันถ้าอยากจะอุทิศบุญอุทิศกุศลนี ต้องทําด้วยการทําทานเพระพระพุทธเจ้าสอนให้ทําทานอุทิศไปแต่ก็ไม่ห้ามไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิยอยากจะอุทิศกับอุทิศไปแต่ไม่รู้ว่าที่อุทิศเป็นอะไรก็ไม่รู้อุทิศบุญเลยอุทิศความฟุ่งสร้างไปก็ไม่รู้เพราะสวดมนต์ไปอาจจะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จะอุทิศเรื่องนั้นไปให้กับเขา คำถามจากคุณสุภสัสเปาอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิต่างกันอย่างไรครับอัปปนาสมาธิเป็นจิตที่เข้าสู่ระดับฌานสี่จิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขาสัจจะวะรู้โดยอุปจาระนี้เป็นพวกที่เป็นพวกที่สุขสนท่านบอกจิตสุขสนพอเข้าฌานสีแล้วไม่อยู่เฉยๆออกไปเที่ยวในโลกทิพย์พวกนี้เ็าเรียกอุปจารสมาธิไป มีตาทิพหูทิพไม่ติดต่อกับกายทิพได้อย่างพระพุทธเจ้าเวล า, าสแสดงธรรมก็ต้องใช้อุปจารสมาธิถึงจะติดต่อกับกายทิพได้<ม>ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิก็ติดต่อกับใครไม่ได้อัปปนาสมาธินี้จิตก็จะนิ่งเป็นโภมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปติดต่อใครถ้าอยากจะติดต่อกับเทวดาก็ต้องอ อ, ออกจากอัปปนาสมาธิแล้วมาเข้าในอุปจารสมาธิทีานั้ ที่ผู้ที่จะเข้าอุปจารสมาธิได้นี้ไม่ได้เป็นด้วยกันทุกคนพวกที่ได้อุปจารสมาธินี้ตามที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีน้อยมากประมาณร้อยละห้าคนที่จะมีอุปจารสมาธิที่สามารถที่จะอ่านความคิดของคนอื่นแล้ว่าตอนนี้มันกาลังคิดถึงใครอยู่ห่ืหรือที่จะติดต่อกับเทวดาติดต่อคนตายได้พวกนี้มีประมาณหเปเซ็นตในบรรดา ที่ปฏิบัติสมาธิกันฉะงนั้นก็เป็นสิ่งที่มันเป็นวาสนาคือเป็นสิ่งที่ติดมากับจิตเฉพาะถ้าเราไม่มีก็อย่าไปสนใจไม่สำคัญเพราะมันไม่ได้เอื้อต่อการบำเพ็ญวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นมันกำมาเป็นอุปสรรค ม, มันจะทำให้เราหลงทางได้ถ้าเราไปติดกับอุปจารสมาธิเหมือนกับเทวทัตเทวทัตก็ได้อุปจารสมาธิและคิดว่าตนเองวิเศษ ก็เลยขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันหลงทางคิดว่ามันวิเศษแต่ความจริงมันถูกกิเลสครอบงําอยู่พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธพอปฏิเสธมันก็โกรธกิเลสก็โผล่ออกมาโกรธโกรธแล้วก็อาฆาตแล้วก็พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเลยทําให้ปายไปต้องไปตกนรกทันทีทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ได้อุปจารสมาธิได้บวชมาตั้งหลายสิบปีแต่ บุญที่ได้ทําไว้สู้บาปที่ตนเองทําไปไม่ได้เพราะเป็นอนันตริยกรรมทําให้สงุตแตกแยกพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งนี่ถือว่าเป็นบาปหนักมากเพราะความหลงคิดว่าตนเองมีมีความสามารถพิเศษมีตาทิพมีหูทิพห์พอเหินเดินอากาศได้แต่พระพุทธเจ้าบอกความสามารถเหล่านี้มันไม่วิเศษวิโสอะไรเพราะมันดับกิเหลสไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้ สมัยนี้คนก็เหาะกันได้แมานั่งเครื่องบินไปไหนมาไหนกันได้แล้วกิเลสมันตายไหมล่ะมันไม่ตายดำน้ําดำดินก็ได้แล้วกิเลสมันตายหรอไม่ตายหรอกอยพระพุทธเจ้าบอกว่าความวิเศษเอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นในเวลาปฏิบัติถ้ายังไม่หลุดพ้นถ้ามีอุปจารสมาธิก็อย่าไปหนึ่งมันกลับมาหนึงมันกลับมาให้มันอยู่ในปัญญาสมาธิให้มันนิ่งไปนานๆให้มันมีอุเบกขาไปนานๆ แล้วอุเบกขานี่ะจะเป็นตัวที่สู้กับความอยากสู่กกิเลสตัณหาได้ใช่ค่ะเหมือนแล้วเหรอไม่ยังคำถามของโย้าค่ะช่วงนี้โยมีกำลังสติอ่อนแต่ว่าพยายามนั่งนั่งให้ได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่มันเกิด ฟุง้งอะ่ะจิตไหลจิตฟุ้งพยายามพุโทโธก็ยังฟุ้งอยู่ต้องไปตัว<ไ> ป, ปีกเว่ยๆต้องไปอยู่คนเดียวสักพักนึเจ้าค่ะนี่อยู่กับคนแล้วมันก็ต้องมีเรื่องให้เราคุยเราคิดอยู่ได้เรื่อยเจ้าค่ะถึงต้องมีการปีกเว่ยบ้างาเพื่จะได้ไปสร้างสติกับขึ้นมาใหมเรื่อยสติกับขึ้นมาใหม่แต่ว่าที่เราเคยบวชชีไปนั่งไปนั่งประสบอยู่สักคืนสองค่ะแล้วสติรีบกลับมาทันทีเลยพระเจ้าค่ะ มีคำถามจากคุณปะนิดาม่วงสุกกราบนามัสการค่ะกราบเตียนถามพระอาจารย์ไปทำวิปัสสนากรรมฐาน9ก้าวันได้ยินเสียงเตสดังแหลมมากเลยบอกว่าพรุ่งนี้จะอุทิศบุญไปให้เพราะจ ะ, าจะลากรรมฐานวันสุดท้ายมาทราบภายหลังว่าต้องอุทิศตอนนั้นเลย แบบนี้เขาจะได้รับใหม่คะหรือต้องทําอย่างไรให้เขาไหม่คะเรารู้ไงว่ามันเป็นเปรตเราไม่ได้ถามไม่ได้คุยกับมันเลยมันเป็นเสียงก็ว่าเป็นเสียงสิพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็ให้สั่งแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สั่งแต่ว่าได้ยินไม่ต้องไปแปลความหมายว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เราเป็นผู้พิเศษยังไงถึงไปแปลว่ามันเป็นเปรตขึ้นมามันอาจจะเป็นแค่เสียงที่ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองยันไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปุิทินบุญ ถ้าจะอุทิศบุญจริงๆมันต้องคุยกันได้ต้องคุยกับเปรตได้เป็นยังไงมีความเดือดร้อนอย่างไรต้องการอะไรให้ช่วยหรืออะไรอันนั้นหลักพระยาเรียกว่าเปรดแท้ถ้าเป็นเปรแบบที่เราไปคิดเองนี่มันไม่ใช่เปรตหรอกพอได้ยินเสียงอะไรหน่อยพอมีอะไรเคลื่อนไหวหน่อยก็เปลตมาแล้วเปรมาแล้วต้องมีบุทิศบุญแล้ไม่ใช่อย้าไม่ต้องไปกังวล เวลาปฏิบัติสมาธิมีอะไรเกิดขึ้นให้พิจารณาเป็นตายรักษลงไปให้หมดกา <Yeah. S 1> นณิจังทุกขังอนัตตา <Yeah. S 1> ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับถ้าไปคิดถึงมันไปยุ่งกับมันก็จะทําให้ทุกข์ไง ต, ตอนนี้คนทุกกับเปรตละทุกที่ไม่ได้กุศลบุญให้กับเปรตละ <Yeah. S 1> แต่้าบอกว่าเป็นตายรักมันเกิดแล้วดับก็จบกันนานละ yeah. Yeah. นะพิจารณาทุกอย่างมันเป็นตายรักแล้วเรื่องมันจะได้จบ <Yeah. S 1> คําถามสุดท้าย<จ>ถ้ายังมีอยู่เ จ, จ้าค่ะ กราบมวัฒการพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิไม่เคยนั่งได้นานเกินครึ่งชั่วโมงมาเริ่มลองทำใหม่ในวันนี้โดยฟังธรรมพระอาจารย์จะนั่งสมาธิไปด้วยตั้งเวลา45นาทีฟังธรรมมีฟุ้งเข้ามาแต่กำหนดพุทโธพอหายฟุ้งก็ฟังธรรมต่อ จะมีสติรับรู้ว่าจิตออกนอกไปจนครบเวลา45นาทีตามที่ตั้งใจทำแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าขามันก็ได้แต่เวลาหรืมันไม่ได้ความสงบถ้าจะได้ความสงบจิตต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปได้อยู่กับการทำทำไปอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าจะใช้พุโทโธก็ต้องปิดเสียงทำไปไม่งั้นมันมารบกวนกัน ถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องพุโทโธให้อยู่กับการฟังธรรมไปมันก็จะนั่งไปจนกว่าธรรมจะหมด mm hmm. ได้ mm hmm. เพราะไม่มีอะไรผูกใจไว้ mm hmm. เหตนวิธีนั่งให้ถูกต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. ถ้าจะใช้พุโทโธลดดูลม mm hmm. ก็ต้องปิดทมไปอย่าให้ทำมาลบควนถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุโทโธนั่งฟังไปมันนั่งดูหนังเลย นั่งดูหนังเราไม่มานั่งพุดโทแข่งการดูหนังใช่ไหมเราก็ดูไปมันก็เพอนสองชั่วโมงมันก็ผ่านไปได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่งฟังธรรมมันก็เหมือนนั่งนั่งฟังเพลงนั่นแหละเพียงแต่ว่าธรรมมันให้จิตสงบไม่ทําให้ฟุเหมือนกับการนั่งฟังเพลงเท่านั้นเองหมดแล้วเนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิติจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเอสานั